ครั้งนั้นแลเมื่อท่านพระสารีบุดชี้แจงให้ท่านพระละกุลตะกะพัทธิยะเห็นแจง้งสมาทานอานหารร่าเริงด้วยธรรมีกถาโดยอเนกปริยายจิตของท่านพระละกุลตกะพัทธิยะหลุดพ้นแล้วจากอาสวะเพราะไม่ถือมัน่นพระสารีบุตรสอนจนพระละกุลตะกะพัทธิยะเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นท่านพระละกุลละกุล ทกะพัติยะผู้อันภาษารีบทชี้แจงให้เห็นแจง้งให้อาถานให้สมาทานให้ร่าเริงด้วยธรรมีกระถาโดยอนเนกปริยายคือปริยายเป็นอันมากจิตของท่านพระละกุลทกะพัติยะหลุดพ้นแล้วจากอาสวะเพราะไม่ถือมัน่นนะภาษารีบที่เก่งมากเลยนะแสดงให้บรรลุเนี่ยหลายรูปนะแบบแคล้ายๆว่าสอนเฉพาะตัวเฉพาะตัวนี่บรรลุอย่างเช่นพระละกุลพระละกุล ทกะพัติยะหรือพระเขมมา ก, ก็เหมือนกันภาษารีบบทเนี่ยบรรยายจนบรรลุเลยลำดับนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าบุคคลผู้พ้นวิเศษแล้วในสิ่งทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำ ไม่ตามเห็นว่าเราเนี่ยเป็นนี้คือเราขันเราเนี่ยเป็นขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณบอกว่าไม่มีการตามเห็นเลยว่าเราเนี่ยเป็นอย่างนี้บุคคลพ้นวิเศษแล้วอย่างนี้ข้ามได้แล้วซึ่งโอคะที่ตนยังไม่เคยข้ามเพื่อความไม่เกิดอีกมันถ้าหากว่าข้ามพ้นจากโอคะแล้วก็เป็นการข้ามเพื่อไม่เกิดใหม่ ทำไมพระเถระรูปนี้จึงชื่อแบบนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วปกติท่านชื่อว่าพัทธิยะเนี่ยนะก็เพราะว่าท่านเนี่ยมีรูปร่างเตี้ยเขาจึงจำท่านได้ว่าลกุลกะพัทธิยะ เ, ะเล่ากันว่าท่านนี้เป็นกุลบรชาวกรุงสาวถีมีทรัพย์มากมีโภคะมากแต่มีรูปร่างไม่น่าเลื่อมใสมีวันนะไม่งามไม่น่าดูแล้วก็เป็นคอมตัวคอมไปหน่อยนึง อัยสาเหตุที่ไม่สูงไม่ค่อยงามเนี่ยนะก็เนื่องจากว่าไปลดเจดีของพระพุทธเจ้าเข้าเนี่ยนะโดยเหตุหลายอย่างนะวันหนึ่งเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันท่านพร้อมด้วยอุบาสกไปยังวิหารฟังธรรมแล้วก็กลับได้ศรัทธาได้บรรพชาอุปสมบทเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาบำเพ็ญวิปัสนาบรรลุโสดาปติผลก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญนะนะครั้งนั้นเหล่าภิกษุผู้เสก ข, ขบุคคลคือยังไม่เป็นพระอรหันต โดยมากก็เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรขอกรรมฐานขอฟังธรรมเทศนาถามปัญหาเพื่อมักเบื้องสูงท่านพระสารีบุตรเมื่อจะทำความประสงค์ของท่านเหล่านั้นให้บริบูรณ์จึงบอกกรรมฐานแสดงธรรมและก็แก้ปัญหาใช่ไหมผ้้าขอกรรมฐานท่านก็ให้กรรมฐานขอฟังธรรมท่านก็แสดงธรรมให้ฟังถามปัญหาท่านก็แก้ปัญหาให้ทั้งหมด ภิสูุเหล่านั้นภาคเพียรพยายามอยู่บางพวกบรรลุสกทาคามีผลบางพวกบรรลุอนาคามีผลบางพวกบรรลุอรหัตตผลบางพวกได้วิชาสามบางพวกได้อภิญยาหกบางพวกได้ปฏิสัมพิทาสี่ตามสมควรแก่วาสนาของตนของตนเนี่ยนะภาษาริบร ท, ท่านก็ช่วยเกื้อกูลอย่างเต็มที่ฝ่ายท่านและกุลตกะพัทธิยะเห็นเหตุนั้นแล้ว ถึงความเป็นพร ะ, พระเสขบุคคลรู้จักการกำหนดความที่ตนเนี่ยบกพร่องในทางจิตรู้เวลาว่าเวลาไหนสมควรเข้าไปหาท่านพระสารีบุต ร, รู้ว่าสภาพจิตของตัวเองเป็นอย่างไรก็เข้าไปหาท่านพระธรรมเสนาบดีได้รับการปฏิสันฐานแล้วขอให้แสดงธรรมเทศนาก็คือขอให้พระสารีบดช่วยประกาศอริยสัจแสดงอริยสัจเพื่อความเข้าใจยิ่งยิ่งขึ้นไป ฝ่ายพระธรรมเสนาบดีก็ได้แสดงธรรมอันเ ห, เหมาะสมแก่อัธยาศัยของท่านเพราะฉะนั้นพร ะ, ะ, พระสารีบุตรก็เลยแสดงธรรมให้พระละกุณกะพัทธิยะฟังคําว่าแสดงธรรมด้วยอเนกปริยายนี่นะแสดงไทยแสดงธรรมโ ด, ดยนัยะต่างๆมากมายอัะนะด้วยเหตุมากมายอย่างนี้ว่าเบนจขันเป็นของไม่เที่ยงเพราะเหตุนี้เบนจะขันเป็นทุกข์แม้เพราะเหตุนี้ หรือแม้เพราะเหตุนี้เบนจะขันจึงเป็นอนัตตาอธิบายให้ฟังว่าทุกขสัจจะไม่เที่ยงอย่างไรทุกขสัจจะเป็นทุกอย่างไรทุกขสัจจะเป็นอนัตตาได้อย่างไรควรที่จะเบือนนายในทุกขสัจอย่างไรคิดยังไงเป็นการสร้างวัตตะพิจารณายัางไงเป็นการออกจากวัตตะเป็นต้นเนี่ยนะภาษาเรียบบทก่อนแนําำทำมิกถฐานะก็คือแสดงทำมรรคฐาอันประกาศความเกิดและความดับเป็นต้นแห่งอุปาทานขันห้าเพราะว่าขันห้าจะเกิดโดยอาการ 25จะดับขันห้าก็โดยอาการ25เนี่ยนะก็เทบอกว่าขันห้าไม่เที่ยงเออแม้เพราะเหตุนี้ขันห้าไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้ขันห้าเป็นทุกข์แม้เพราะเหตุนี้เป็นขันห้าเป็นอนัตตานี้ก็แสดงอะไรสัมมสนญาณเ น, นี่ยนะสัมมสนญาณแล้วก็แสดงถึงความเกิดความดับของอุปาทานขันห้าก็เป็นอุทยพยานแสดงเนี่ยนะเหตุเกิดความดับของขันห้า สันทัเสติได้แก่แสดงโดยชอบซึ่งลักษณะมีอนิจจลักษณะเหล่านั้นนั่นแหลและยานมีอุทยพย า, ยานเป็นต้นคือแสดงโดยประจับดุดเอามือจับเนี่ยนะคือแสดงได้ชัดเจนเหมือนกับแหมจับมือให้ดูเลยนะเหมือนอะไรจับมือให้ให้ทำเลยนะเหมือนเรียกว่าเหมือนจับมือสอนมางั้นเถอะพูดได้ชัดเจนขนาดนั้นเจไดไม่ได้ไปฟังด้วย บทว่าสมาธิเปติความว่าให้ถือเอาโดยชอบอนะนะให้ถือเอาวิปัสนาอ่านะตัวสาระคือตัววิปัสนานะทีนี้วิปัสนานี่มีอะไรเป็นลักษณะเอามีอะไรเป็นอารมณ์ก็มีอนิจจารักษณะเป็นอารมณ์วิปัสนามีทุกคลักษณะเป็นอารมณ์วิปัสนามีอนัตตลักษณะเป็นอารมณ์พัน้าวิปัสนาที่มีอนิจจาักษณะเป็นอารมณ์เรียกว่าอนิจจานุปัสนาถ้าวิปัสนามีทุกคลักษณะเป็นอารมณ์เรียกว่า ทุกขานุปัสนาถ้าอนัตตามีท่าวิปัสนามีอนัตตาลักษณะเป็นอารมณ์ก็เรียกว่าอนัตตานุปัสนาเผลไอตัววิปัสนาที่มีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์เนี่ยนะท่านถือเอาไว้โดยชอบนะไอตัวนี้แหละคือตัวปัญญาที่จะต้องอบรมเพิ่มพูนท่านก็ถือเอาไปโดยประการที่จิต ด, ดําเนินไปตามวิถีแห่งวิปัสนาทั้งหลายท่านอนุปัสนา3าที่บริบูรณ์ทาอะไรให้บริบูรณ์ทํานิพพิธานุปัสนาให้บริบูรณ์ ถ้าอนิจจาทุกขาอนัตตาธรรมมาขอไปอนิจจาโนปัสสนาทุกขาโนปัสสนานัตตานุปัสสนาที่บริบูรณ์ก็ทำอะไรทำนิพิทาให้บริบูรณ์ถ้าวิปัสสนาญาณ4บริบูรณ์ก็ทําวิราคาให้บริบูรณ์ถ้าวิปัสสนา5ที่บริบูรณ์ก็ทํานิโรธาให้บริบูรณ์ถ้าวิปัสสนาทั้ง6บริบูรณ์ก็ทําปฏินิสสาให้บริบูรณ์บทว่าสมุเตเชติความว่าเมื่อเริ่มวิปัสสนา เมื่ออุทยพยายานเป็นต้นแห่งสังขารปรากฏหมคราบว่าวิปัสนาเนี่ยเกิดเจริญขึ้นเจริญขึ้นท่านย่อมอยางวิปัสนาให้อย่างลงสู่วิถีอันเป็นสายกลางเนี่ยนะก็คือดำเนินให้เป็นไปอย่างพอดีโดยอนุวัตตามโพชฌงมันตัญญานี้จะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นไปด้วยดีนะด้วยการประคองประคองวิปัสนาให้ดีด้วยการเจริญว วิริยะสัมวิริยะสัมโพชฌงค์ประคองไว้ให้ดีด้วยปีติสัมโพชฌงค์แล้วถ้าหากว่ามันดูจะฟุ้งไปก็คมด้วยปัสัทธิสมาธิและอุเบกขาสัมโพชฌงค์พิจารณาพิจารณาด้วยอํานาจของวิปัสนาเนี่ยนะตามเวลาแล้วถือเอาวิปัสนาจิตให้เกิดด้วยความอาจหานโดยชอบะนะมีแต่ความมั่นใจไปเรื่อยๆในะอาจฐานก็คือมีความมั่นใจอย่างเต็มที่ ให้ผ่องแผ้วโดยทำวิปัสนาจิตให้หมดจดเพราะกระทำอินทรีย์ทั้งห้าให้หมดจดเนี่ยนะอินทรีย์ห้าก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นประย่างหมดจดเหมือนวิปัสนาญาณนำมาซึ่งธรรมชาติแก่กล้าแล้วก็ผ่องใสนะวิปตัวปัญญาตัวโพธิปัจขยธรรมก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นบทว่าสัมปะหังเสติความว่าย่อมยังจิตให้ร่าเริงโดยชอบ หรือให้ยินดีด้วยดีโดยความยินดีที่ได้มาด้วยการเจริญวิปัสสนาอันเป็นไปอยู่อย่างนั้นให้เป็นไปโดยสม่ำเสมอและโดยพลังแห่งภาวนาที่จะพึงได้สูงสูงยิ่งขึ้นไปคือเป็นการเจริญเป็นการวางรากฐานเพื่อคุณธรรมมีแต่เพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไป พันกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาธรรมานุปัสนาเหล่านี้เนี่ยนะจะต้องเป็นฐานรองรับสัมมาประธานอิทิบาทอินทรพละพ่อชงองค์มักและคุณธรรมเหล่านี้จะต้องเพิ่มพูนยิ่งยิ่ ง, ง, ง, ง, งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าคุณธรรมตัวนั้นเนี่ยเป็นนิยานิกธรรมเป็นคุณธรรมที่นําออกจากทุกขเนี่ยนะบทว่าอนุ ป, ปาทายาสเวหิจิตตังวิมุต จ, จิความว่าเมื่อเธอพิจารณาลักษณะที่ท่องแท้ ลักษณะที่ทองแท้เป็นยังไงอะไรลักษณะทองแท้ทุกขาริยศาสตร์มีลักษณะทองแท้สมุทัยอริยศาสตร์ก็มีลักษณะทองแท้นิโรธสัจจะก็มีลักษณะทองแท้นะมรขาริยศาสตร์หรือทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยศาสตร์ก็มีลักษณะทองแท้พิจารณาลักษณะที่ทองแท้แห่งอริยศาสตร์ยังยานให้เป็นไปตามกระแสเทศนาคือคือการพิจารณาของ พระเถระรูปนี้เนี่ยนะอาศัยคําสอนชี้นําด้วยและท่านก็เห็นตามเนี่ยนะว่เป็นการสอนแบบอะไรนะแบบจับมือสอนอ่ะนะเป็นการอาธิบายคล้ายๆกับจับแหมพูดให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะพะนั้นก็เลยส่งยาณให้เป็นไปตามพระธรรมเทศนาคิดตามคําสอนอยู่นั่นแหละเพราะเธอถึงความแก่กล้าแห่งยาณตามอนุภาพเทศนาของพระเถระคือพูดให้ปัญญาเจริญขึ้นเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นความรู้ความเข้าใจมีแต่เจริญยิ่งขึ้น เพราะตนเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยก็คนมีบุญนะนะก็ทําบุญไว้มากแล้วตั้งอุปนิสัยไว้เป็นอย่างดีแล้วนะนันอาศัยอุปนิสัยที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญบุญกุศ ล, ก, ลก็ตั้งอัธยาศัยมาเพื่อบรรลุแบบนี้เพราะนั้นเวลาฟังธรรมก็เลยน้อมไปเพื่อให้คุณธรรมเหล่านี้จเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้ น, นบุญของท่านเนี่ยจังสมมาเป็นอย่างดีโดยประการที่พระธรรมเสนาบดีแสดงธรรม จิตของท่านก็ไม่ยึดมั่นอาสวะอะไรๆมีกามาสวะเป็นต้นหลุดพ้นโดยเด็ดขาดตามลําดับมัช ก, ก็หลุดพ้นจากกามาสวะด้วยอนาคามิมัชหลุดพ้นจากภวาสวะและอวิชชาสวะด้วยอรหัตตมัช ก, ก็ทําอรหัตตผลให้แจ้ ง, งนีนะภาษาริบุตรที่แสดงจนมันรเป็นพผ้ า, าหันเลยเนาะเราก็ฟังให้มันเข้าใจว่าท่านพูดอะไรกันนี่ก็ได้บุญเยอะแลยนะเนี่ยนะยังพอจะได้เข้าใจทิศทางบ้างว่าท่านไปไหนกันอ่ะนะ ยิ่งฟังก็ยังเขอมันก็ยังฟ้ามันยังไม่สางอย่างเ้ยนะนะีเกือบเสางแล้วนะเนี่ยเกือบแสงเงินแสงทองจะเกิดแล้วอย่างไงวะก็ให้มันรู้ทิศทางว่าท่านดําเนินกันไปยังไงก็เอาละานะทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยทราบเนื้อความเหล่านั้นโดยประการทั้งปวงเอตมัถังวิทิตวาความว่าพระองค์ทรงทราบโดยอาการทั้งปวงซึ่งอัตถานี้กล่าวคือท่านพระละกุลตกะ พัทยายินดีในอรหัตผลเนี่ยนะก็เบิกบานด้วยอรหัตผลเนี่ยนะพระองค์ก็เปล่งอุทานว่าบุคคลผู้พ้นวิเศษแล้วในสิ่งทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ํานะคำว่าเบื้องบนก็คืออะไรรูปประาธาอรูปประาธาต์เบื้องต่าก็คือกมรมาธาตุในทั้งปวงเนี่ยนะคำว่าในสิ่งทั้งปวงหมายถึงสังขารทั้งหมด คือท่านหลุดพ้นจากสังขารทั้งหมดสังขารเหล่านั้นไม่ว่าจะอยู่เบื้องบนคือรูปธาตุอรมณ์ธาตุจะอยู่เบื้องล่างคือกามธาตุวิปปมุตโตหลุดพ้นแล้วด้วยวิขมพนาวิมุติในส่วนเบื้องต้นมีขัมพนาวิมุติก็คือสมถะวิปัสนาใช่ไหมแล้วก็หลุดพ้นด้วยสมุทเฉทวิมุตคืออริยมรติปฏิปสทัที่วิมุติคืออริยผลในส่วนเบื้องปลายมันหลุดพ้นจาก การมาธาตุรูปธาตุอารูปธาตุด้วยสมถะวิปัสนาอริยมรรยพุนพระนบทว่าอุดทางวิปมุตโตแสดงถึงการละสังโยชตอันเป็นส่วนเบือออาาเบ้องสูงห้าอนะอนาคามิมรระสังโยชน์เบื้องสูง5้านะเบื้องสูง5้าคืออะไรรูปปราคะอารู ป, ปราคะมานะอุทจจะและ อวิชาละสังโยต์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำอีกเบื้องต่ํำอีกห้าอะโทเนี่ยนะคือสังโยชน์ที่มันมัดให้ไปลงสู่เบื้องต่ําคือสกายยะทิฏฐิวิจิกิจชาสีละพัตะปรามาศการมราคะและปฏิฆะไอ้พวกนี้แหละผูกให้ตกลงไปในเบื้องต่ําสัพพทิวิมุตโตก็คือละอะกุศลทั้งปวงที่เหลืออีกในหนึ่งเนี่ยนะหมายถึงละสังขารอุทังคืออนาคตอะโทคืออดีตนะแล้วก็ สับทั้งสองก็ให้รู้ว่าปัจจุบันเพราะเกี่ยวระหว่างอดีตและอนาคตนั้นคําว่าอดีตการหรืออนาคตการถือเอาขันาธาตุอายตนะในอนาคตันสรุปว่าหลุดพ้นด้วยอริยมรรคอริยผลตัดฉั้นราคาในสังขารทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันสังขารในพบเบื้องต่ําและพบเบื้องสูงโดยประการทั้งปวงอธิบายว่าหลุดพ้นแล้วจากพบทั้งปวงสงเคราะห์ด้วยการสาเพราะพบทั้งปวงก็แบ่งเป็น พบทั้งปวงมีอะไรบ้างกามภพบรูปรประพบและอรูปรประพบพบทั้งสามเหล่านี้เนื่องด้วยอดีตอนาคตและปัจจุบันก็เลยตัดชันทราคาในพบสามได้หมดเลยบทว่าอายะมหมสมีติอนานุปสิความว่าผู้ใดหลุดพ้นอย่างนี้ผู้นั้นย่อมไม่ตามเห็นรูปเวทนาเป็นต้นอย่างนี้ด้วยอานาจทิฏฐิมานะว่าเราเป็นธรรมะชื่อนี้ คือปกติเนี่ยปุตุชนทั้งหลายเราเป็นรูปเราเป็นเวทนาเราเป็นสัญญาเราเป็นสังขารเราเป็นวิญญาณด้วยอํานาจทิฏฐิและมานะใช่ไหมพระอรหันต์ท่านบอกว่าไงรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอดีตก็ไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอนาคตก็ไม่เที่ยงก็เอาไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงมาเป็นเราได้ยังไงได้ไหมสาธุขอให้อย่างที่ตอบเถอะ ถ้าว่าได้อย่างที่ตอบเมื่อไหร่นี้แจวเลยนะสักวันหนึ่งกันนะวันไหนนาะวันพระจันทร์เต็มดวงต่อไปว่าคําว่าอายม์อายม์มหัสมีติ อ, น, อนันนาโนปสินี่ยเรียกว่าเป็นอุบายแสดงเครื่องบรรลุคือหมายความว่าการตรัสรู้เนี่ยนะก็ต้องไม่มีการยึดถือว่าเป็นเราว่าเป็นของเราในรูปเวทนาสัญญาสังขารและ ญญาเนี่ยอย่างลืมตา ม, มองเห็นเนี่ยเราจะอดว่าเราเห็นไม่ได้ใช่ไหมถ้าไมเป็นอย่างนี้ไปได้ก็เพราะเราไม่มีการวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ไม่มีการทําปริญญารอบรู้ในสิ่งเหล่านี้อย่างอย่างครบถ้วนกระบวนความตามคําสอนเนี่ยนะถ้าเราคิดตามนั้นเออจักขูก็ไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงจักขูวิญญาณไม่เที่ยงภาษาเวทนาไม่เที่ยง่ะนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาและเอาอะไรเป็นเราจักขู่เป็นเราใช่ไหมไม่ใช่รูปเป็นเราใช่ไหมไม่ใช่ จิตเห็นเป็นเราใช่ไหมไม่ใช่ภาษะเวทนาเป็นเราใช่ไหมก็บอกไม่ใช่ท่านก็ผู้ที่มีปัญญาไขขรวนจนไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นเราเนี่ยนะอะไรดีเป็นเราไปความคิดอันนั้นแหละเป็นเราใช่หมเอาความคิดเหล่านั้นก็เป็นสังขารธรรมชนิดหนึ่งไม่ใช่หรือความคิดเหล่านั้นก็รวนแต่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นถ้าไม่ได้เหตุปัจจัยอันสมควรและความคิดแบบนี้จะมีอยู่หรือ ความคิดเหล่านี้ก็มีไม่ได้เพราะความคิดอันนั้นก็เป็นสังขารธรรมเนี่ยนะทีนี้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้ววิปัสนาอันเป็นวุฒานาคามินีอันเป็นส่วนเบื้องต้นวุฒานาคามินีวิปัสนาคือวิปัสนาที่มีการปฏิบัติเพื่อการนำออกจากวัตะในส่วนเบื้องต้นอันกระทำความไม่ตั้งมั่นด้วยอำนาจความสาคัญปกติคาว่าสาคัญนี้เป็นชื่อของทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะอันมีภาวะ เป็นไปในสังขารในภูมิสามซึ่งสงเคราะห์ในการสามคือวิปัสสนาชั้นสูงนั้นเมื่อเจริญเติบโตไปโดยลำดับแล้วเนี่ยนะวิปัสสนาอันนั้นที่เป็นการปฏิบัติเพื่อการนำออกจากวัตฏะเนี่ยพิจารณาสังขารในภูมิสามคือการมภูมิรูปภูมิมารูปภูมิสงเคราะห์โดยเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน วิปัสนาเหล่านั้นจะไม่ตามเห็นสังขารเหล่านั้นในภูมิสามสังขารในอดีตอนาคตว่าเป็นนั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเพราะวิปัสนาญาณอันนี้ตามเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราวิปัสนาญาณอันนี้คาว่าไม่ใช่ของเราก็คือตามเห็นว่าสังขารเหล่านั้นเป็นทุกข์เราไม่เป็นนั่นนั่นคือความไม่เที่ยงของสังขารนั่นไม่ใช่อัตตาของเราก็คือเห็นความเป็นอนัตตาของสังขาร วิปัสนา那เนี่ยเป็นเหตุใกล้ของวิมุตต์วิปัสนาที่ตามเห็นดังกล่าวเนี่ยเป็นเหตุใกล้ต่ออริยมรรคเอวังวิมุตโตอุทตาริโอคังอตินนะปุพังอนุปปภวายะความว่าพระอรหันต์ผู้หลุดพ้นด้วยวิมุตต์คืออริยมรรคดังที่กล่าวไปแล้วโดยประการทั้งปวงหลุดจากสังโยชนิสิบหลุดจากเครื่องผูกสิบประการปกตินะเราลืมตาเนี่ยนะโยนโซ่สิบเส้นไปมัดไว้กับอารมณ์ทันทีเลย ยังอะไรนะพวกแบบเคยเห็นมนุษย์แมงมุมไหมนะลืมตาปั๊บใจแมงมุมเนี่ยมัดไปหมดเลยนะรักขนาดนั้นเลยนะเรียกว่าถ้าสังโยชน์ก็เหมือนกับพวกสายโซ่ใช่ไหมลืมตาปั๊บกับโซ่มัดตาไว้กับรูปสังโยชน์ใช่ไหมสูตรเขามียังไงนะอายตนาบา พ, พะเพื่อนะย่อมรู้ชัดซึ่งจกักษุย่อมรู้ชัดซึ่งรูปย่อมรู้ชัดซึ่งสังโยชน์ที่อาศัยจักษุและ รูปสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดโดยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยเนี่ยนะดูสิพระละกุลกะกัปติยะเนี่ยท่านตามทําตามอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนได้เนี่ยนะโอ้ยท่านเก่งจริงๆนะท่านปฏิบัติดีจริงๆก็เรื่อว่ารู้เอาไว้กราบเอาไว้ไหว้ก่อนก็ยังมีเบื้องต้นเนี่ยนะเอาไว้นับถือคนดีก่อนก็ได้เนี่ยนะ ก็ได้บุญได้กุศลนะแ้หวังไงเถอะคนบางทีเนี่ยถ้าหากว่าคนที่เข้าใจผิดบอกอุย้ยทําตามไม่ได้เลยก็เลยเลิกศึกษาเลยที่จริงเนี่ยน่าจะว่าศึกษาเพื่อเพิ่มศรัทธาของเราเนีนะเพิ่มความรู้เพิ่มความเข้าใจเพิ่มสุตตะเพิ่มปัญญาเพิ่มคุณธรรมให้เราไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเรียก ว, ว่าสะสมรวบรวมเสเบียงเหล่านี้เพื่อความพ้นทุกข์นี่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็รู้ว่าเออพระสงฆ์ที่ด้วยกก็น่ากราบน่าไหว้หน่าบูชาเราก็รู้ว่าท่านปฏิบัติอะไรกัน น, นะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็เข้าว่าดีเข้าว่าเข้าว่าเราไม่ว่าสักทีเพราะเรายังไม่เข้าใจใช่ไหมมันถ้าเราได้เรียนอย่างนี้เราก็พอจะเข้าใจเราก็จะได้ว่าถูกบ้างนะนะว่าเออพระสงฆ์ท่านปฏิบัติดีอย่างนี้เราชมเหลือเกินนะว่าพระสงฆ์งเป็นผู้มีปัญญาใช่ไหมเนื้อปัญญาของพระสงฆ์ทั้งหลายท่านคิดกันอย่างนี้ท่านจึงพ้นไปจากทุกข์เนี่ยนะสรุปว่าพระทหารผู้หลุดพ้นจากสังโยชน์และอกุศลทั้งปวงด้วยอย่างนี้ก็ข้ามโอคะสประการ โอคานี้แปลว่าห่วงน้ําที่ทําให้สัตว์ห่วงน้ําที่ไหลทับถมสัตว์ให้จมลงไปในอบายะนะห่วงน้ําคือกามห่วงน้ําคือภพห่วงน้าคือทิฐิและอวิชชาปกติแล้วห่วงน้ําทั้งสี่ประการเนี่ยนะที่ตนไม่เคยข้ามโดยที่สุดแม้แต่ความฝันใครเคยฝันว่าบรรลุบ้างฝันว่าหลุดพ้นจากกาโมโยคะพโวคะทิโถโคะและอวิชโคะเลยเนี่ยนะนะ ว่าไม่เคยฝันเลยนะบอกไม่ฝันยังไม่เคยเลยนะจากลาวไปใหญ่ถึงบรรลุใช่ไหมต่างประเทศบางประเทศที่เราไม่เคยไปยังฝันไมาได้ไปเลยนะแต่ว่าเนี่ยแหมอริยสัตว์นี่ยังไม่เคยฝันว่าบรรลุอริยสัตว์เลยแล้วก็ไม่เคยฝันว่าละกิเลสได้หมดเลยยังไงนะบริสุทธิ์ปิ้งขึ้นมาเลยนะยากว่าไม่เคยบรรลุแม้กระทั่งในความฝันว่างั้นเพราะอะไรเพราะก่อนแต่บรรลุอริยมรรคเนี่ยนะ ตอนหลังก็พอเจริญอริยมรรคแล้วก็ข้ามขึ้นข้ามพ้นโอคะใหญ่ทั้ง4แล้วก็ข้ามพ้นจากสงสารหลีกอกอกจากสงสารมีนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อหลีกสามารถมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วด้วยอนุภาพของอริยมรรคด้วยอนุภาพของปัญญานั่นแหละกำจัดพบใหม่เมื่อกำจัดพบใหม่ได้หมดสิ้นสิ้นแล้วชีวิตของท่านก็รอแต่อนุปาทิเสสนิพพานาธาตุ รอวิบากและกรรมชรูปดับลงไปนะก็เลยข้ามพ้นพัน ท, ท่านบอกว่าผู้ที่เป็นพระทหารก็รอวันตายเหมือนคนทํางานเสร็จรอรับค่าจ้างเนี่ยนะพระทหารทั้งหลายท่านจะไม่ฆ่าตัวตายโดยประการทั้งปวงแต่ท่านก็รักษาร่างกายของท่านเพื่อให้คนทั้งหลายได้เจริญบุญเจริญกุศลเห็นนะอย่างน้อยที่สุดใครผู้ประสงค์บุญก็จงได้บุญพระมหากรสปะท่านว่ายอย่างนั้นนะ ผู้ใดประสงค์บุญก็จงได้บุญผู้ใดประสงค์จะได้ความสุขก็ขอให้ได้พบความสุ ข, สขท่านก็เลยเดินไปรับอาหารบิณฑบาตของประชุมชนมันก็พ้าอาหารเหล่านี้ก็ข้ามพ้นข้ามพ้นจากวัตตะดำรงอยู่ในฝั่งฝั่งในที่นี้เนี่ยทีปะนี่แปลว่าเกาะนะพระนิพพานชื่อว่าเป็นเกาะถ้าเกาะอารามณนะปัจจัยคือนิพพานได้แล้วก็พ้นจากการตายและการเกิดเป็นต้นมันนี่ห่วงตายไม่ค่อยห่วงแล้วห่วงแต่ไม่ได้เกิดอย่างนี้ว่า หวังไม่ได้เกิดในสวรรด์อย่างนงี้นะ